อตอนนี้ไปขอทุกท่านตั้งใจฟังคิบายสักครู่หนึ่งการเจริญวกามาฐานที่บรรดาท่านพุทธบริษัทกำลังจเจริญอยู่นี่ตามศัพท์ภาาบาลีท่านเรียกว่าเป็นการจเจริญมนโนมยิธิสำหรับมนโนยิธินี่เป็นเป็นหนึ่งในะปิญญาห้า หรือว่าหนึ่งในปัญญาหกแล้ว่าการปฏิบัติแปดนี้เขาบรรดาทั้งพุทธบริษัทส่วนมากวันนี้ก็ไม่เคยปฏิบัติกันมาแล้วให้พึงเข้าใจว่าการเริ่มต้นใยการทรงสมาธิของมโนวิธิอันนี้ใช่ลมใจเบาๆหรือว่าถ้าบาังเอิญจิต น, นาที่ภาวนาอยู่ ก่อนที่จะเริ่มใช้อารมณ์ให้เป็นมนโนยิทธิระวัติจกบุญญาถ้าบังเอิญเวลานั้นเป็นอารมณ์ฌานถ้าหากว่าจะใช้กําลังเป็นทิพย์จุุญญาจริงๆก็ต้องถอยหลังมาทังอุปจาระสมาธิเรื่องทาใจะให้ดีแล้วก็ขอบันด้ท่านพุทธบริษัททรงอารม์ใจแบบเบาๆ เ, เพื่อทําแบบสบายสบาย <c oughs> ยงเว้นจากความตั้งใจคิดว่าเราจะทรงจิตให้แนบสนิทเกินไปคือทําอย่างนี้เวลาให้ใจเข้านึกวันะมะเวลาให้ใจออกนวัพระปล่อยจิตสบายลมให้ใจเข้าลมให้ใจออกปล่อยไปตามปกติอย่าบังคับลมให้ใจเข้าหรือว่าอย่าบังคับลมให้ใจออก ให้หนักหรือให้เบาให้ยาวหให้สั้นต้องปล่อยลมหายใจไปตามปกติจริงๆเพราะว่าการปล่อยลมหายใจให้ใจไปตามปกติแล้วอจิตเําไปรับทราบตอนนี้เป็นเหตุให้จิตมีสมาธิถ้าจิตมีสมาธิพอเบาๆแบ บ, บสบายๆ ี่พิสมาที่แบบเบาๆนี่ก็อันหนึ่งที่บรรดาญาโยพระตบริษัตอาจจะสงสัยว่าการทรงสมาธิจริงๆความจริงบางคนคิดว่ามันจะต้องไม่คิดอะไรเลยจะต้องทรงอารมณ์อยู่ตามปกติคือจิตไม่วอกแวกอันนี้ไม่ใช่ถ้าเรายังไม่ถึงอรหันต์เพียงใด หรือว่าขณะนั้นถ้าจิตยังไม่ทรงอยู่ในฌานสี่เพียงใดมันก็ต้องหวกแกว่ไปของธรรมดาบางทีขณะที่ภ า, าวนาไปด้วยนิจนาลมให้ใจเขาออกไปด้วยสักครู่หนึ่งหลึห่งนาทีสองนาทีอาศัยที่อารมณ์จิตมันเคยคิดอะไรต่ออะไรก็มันอยู่เราก็เผลอนิดเดียวมันก็คิดนอกเรื่องโนราไป ถ้าเป็นอย่างนี้พอนึกคึ้มันได้ว่าออาวบิเพอร์สก็เส็จแล้วแล้วภาวนาโยนิจิตสร้างเลยไปแล้วก็จับดึงงข้ามาใหม่อยากำหนดรู้ลงให้ใจเข้าออกใหม่แล้วก็ภาวนาตามเดิมของเราเป็นใหม่อย่างนี้ต้องถือว่าใช้ได้อย่าไปคิดว่าขณะที่ภาวนาอยู่นมันจะต้องไม่คิดอะไรเลยไม่ใช่ อ, อย่างนั้นเป็นไปไม่ได้การที่ไม่คิดอะไรเลย ถ้าอย่าถามว่าถ้าอย่างนั้นจิตเป็นสมาธิได้ยังไงก็ตองตอบว่าคำว่าสมาธินี่แปลว่าตั้งใจเราตั้งใจอยู่แล้วว่าจะทำความดีเพื่อตั้งสติสัมปชัญญะให้สมบูรณ์เราต้องการรู้ลมในใจเข้าในใจให้ได้ให้ใจออกมีแลวามละเอียดถ้าเราก็ตั้งใจภาวนาอยู่แล้วแต่มันเผอก็เป็นขอธรรมดา คำว่าตั้งใจเป็นสมาธิขณะใดาที่รู้ลมหายใจเข้าใจออกขณะนั้นถ้าภาวนาอยู่ด้วยขณะนั้นชื่ีวจิตจะมีสมาธิแต่เมื่อสมาธิมีขั้นอุ์ผู้ปราระสมาธิมันก็ต้องโดดไปโดดมาบ้างเป็นพอธรรมดาตอนนี้ถ้าจิตอยู่ระดับนี้ถ้าจิตทรงอารมณ์พอสบัยสบา ย, ายอารมณ์ก็เริ่มเป็นทิพย์ อารมณ์เริ่มเป็นทิพย์เราก็สามารถจะเห็นภาพที่เป็นทิพย์ได้โดยทางใจและก็สามารถได้ยินเสียงที่เป็นทิพย์ได้โดยทางใจมืกันเพราะว่าการจะรู้หรือจะเห็นก็ดีต้องเป็นตอนที่มีผู้แนะนําเข้าไปในะนําท่านเพราะความจริงการฝึกแบบนี้เป็นของหนักมากนะศีะส่สาสมั แต่ก็ได้สายพระหาอุณาธิคุณจะองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทานวิชานี้ไว้ในรูปธทธศาสนาถ้าจะปล่อยให้ทำแต่ผู้เดียวโดยไม่มีใครเข้าไปแนะนำอันนี้ไม่มีผลก็เคยทำมาแล้วต้องให้บุคคลที่เคยได้ทำไปแล้วเข้าไปแนะนำท่านสำห ร, รับอารมณ์จิตก่อนที่จะเริ่มทำสมาธิจริงๆรงจริงจัง ในตอนนี้ต้องขอให้วัดาท่านพุทธบริษัทลืมความหลังเสียให้หมดคําว่าลืมความหลังก็หมายความบาปอากุศลใดๆทั้งหมดที่เราเคยทําไปแล้วในการขอในการก่อนในตอนนี้เราไม่ได้ถึงเรานึกถึงอย่างเดียวแต่ความดีที่เราทรงอยู่ในเวลาการหนึ่งเวลานี้เราจะไม่ห่วงอะไรทั้งหมด บ้านก็ไม่ไมห่วงคนที่บ้านก็ไม่ห่วงทรัพย์สินก็ไม่ห่วงถ้าเราไปห่วงเข้าจิตมันก็ไม่เป็นสมาธิอีกมันก็โดดหน้าโดนหลังไม่ทรงตัวดัง น, น, นั้นอย่านั้นหันก็มหาที่งกายของเราเราก็ต้องพิจารณาว่าถ้าราะเยาห่วงอะไรทั้งหมดถ้าบางเป็นร่างกายขาเขาจะตายในเวลานี้ ถ้าเราตายไปเวลานี้แล้วข้างหลังเราจะทำยังไงถ้าเราคิดว่าถ้าเราห่วงถ้าเราตายไปแล้วเราจะช่วยเขาได้ไหมเคยมีคนตายที่ไหนบ้างมาช่วยขงข่าวขงปลาตักน้ำตักท่าทา ง, งานทางการมันไม่มีแต่ถ้าชีวิตเราถึงวาระแห่งความตายจริงๆมีใครบ้างอ่างความตายได้ ก็ไม่มีฉะนั้นเวลานี้ให้เราห่วงอยูจ่จบเดียวคือปัจจุบันเพาเวลาปัจจุบันเวลานี้เราทําอะไรเราห่วงเฉพาะสิ่งนั้นถ้าเราห่วงบ้านหัวงัตว์โหสิหสนห่วงคนที่บ้านมันก็ได้ไม่มีประโยชน์เรานั่งอยู่ตรงนี้บ้านอยู่โ น, น่นถ้ามีอะไรเกิดขึ้นเราก็ช่วยอะไรไม่ได้ฉะนั้นคำบรรดาถ้านพุทธบริษัทจะถือ ว, ว่าเวลานี้เราเป็นบุคคลผู้เดียว ไม่มีอะไรทั้งนั้นเวลานี้ทุกี่เวลาก็ตามจะเป็นเวลาไหนก็ตามถือว่าเราเป็นบุคคลคนเดียวที่ถืออย่างนี้ไม่เช่เลียมคนอื่นถือตามความจริงอีกอย่างหนึ่งคนนี้เป็นสามีเป็นพัญยาเป็นบิดามันดาเป็นลกูกเป็นหลานเป็เลนนันเนื่องถึงการจริงแต่ว่าสิ่งที่เนื่องนึงกันไม่ได้คือหนึ่งไม่เราเกิดขึ้นแล้ว ถ้าความป่วยไข่ไม่สบายมันจะเกิดกับเราคนที่เรารักคนที่เราหังผีคนที่หวังดีต่อเราทุกคนไม่อยากให้เรามีทุกขเวทนามากแต่ว่าไม่มีใครเลยที่จะสามารถความแบ่งเบาความป่ยวยขอทุกขเวทนาจากร่างกายของเราไปได้ หมอมีหน้าที่รสษาก็ให้ยาถ้ามันจะปวดซึ่งจริงหมอไม่สามารถระงับได้อันนี้เป็นจุดหนึ่งที่เราเป็นบุคคลคนเดียวคือถ้าเราป่วยเราก็ป่วยคนเดียวเรามีทุกขเวทนาเราก็มีทุกขเวทนาคนเดียวไม่มีใครสามารถช่วยแบ่งเบาได้เลย น่าปวดมากเมื่อยมากมีทุกข์ทรมานมากจะมีคนที่รักหรือที่คนมีปรารถนาดีกับเราจะมาแบ่งเอาความเจ็บปวดไปไว้คนนั้นนิดค น, นหน่อยก็ไม่สามารถจะทําได้ตอนนี้เราเปน็นบุคคลคนเดียวจริงและรายการนี้สองชีวิตล่วงไปความแก่ก็ปรากฏขึ้นถ้ามีคนที่ปรารถนาดีว่าเราไป็นคนหน้าบ้าน เมื่อว่าไปเราเป็นผู้นำเราเป็นห้วยใจนำเราเปพ็พผู้ทรงเคราะ์ถ้าเราแก่มากเกินไปแต่ก็สุขภาพร่างกายไม่ดีมันสมองไม่ดีงานการนี่ทําอยู่นั่นมันจะเสื่อมแล้มันจะสุดตัวลงอาจจะมีใครบ้าไหมที่เขาไม่ต้องการให้เราแก่เมื่อความแก่เข้ามาถึงเราเขาจะมาแบ่งความแก่เป็นคนนิดคนหน่อยที่ไม่ต้องการให้เราแก่อันนี้เป็นได้ไหม ถ้าทำอย่างนี้ก็ทำไม่ได้ก็เนื่อนี่นี่จุดหนึ่งที่แสดงว่าเราเป็นบุคคลคนเดียวถึงเวลาที่แก่จริงๆแล้วก็แก่คนเดียวไม่มีใครมาช่วยแบ่งความแก่ของเรา ไ, ได้แล้วก็ในขั้นสุดท้ายวาระที่ความตายเข้ามาถึงจริงๆมีใครบ้างไหมที่คิดว่าถ้าเราตายไปแล้วมันไร้ประโยชน์มากสิ่งที่ทรงอยู่มันจะซุขตัวลง เมื่อความตายจะเข้ามาถึงเราเขาไม่ต้องการให้เราตาย <c oughs> มาแบ่งเอาความตายไปไว้ให้คนอันหน่อยกหน่อยเขาก็ไม่ตายแล้วเราก็ปลอดจากความตายอย่างนี้ทําได้ไหมถ้าทําไม่ได้เราเจะไม่ต้องตายก็แาะตนเราเป็นคนคนเดียวก็ ค, วคิดตามนี้นะคําว่าคนคนเดียวไม่ได้ไหมายความให้ลืมคนอืน่น ไอ้คิดทิ้ความเป็จริงว่าสิ่งที่เราเจอต้องรับและไม่มีใครแบ่งไปได้นั้นเราต้องรับแต่คนเดียวเมื่อเราเวลาเราป่วยแล้วก็ป่วยคนเดียวเราแก่แล้วก็แก่คนเดียวเราตายแล้วก็ตายคนเดียวเมื่อเราคิดว่า เ, าเป็นคนเดียวอย่างนี้เวลาที่เราอบรมธรรมเพื่อความไม่ตายเราก็ไม่จะโห่วงอะไรทั้งหมดแม้แต่ร่างกายของเราที่ทรงอยู่เราก็ไม่ห่วง คิดว่าถ้ามัจะตายนในเวลานี้คนดีเพราะเวลานี้เราอยู่ในระหว่างพระัตนาตรายโดยสามเหการคือพระพุทธเจ้าประธรรมและประสงค์วเวลานี้เราเป็นคนมีศีลเวลานี้จิตจะเป็นผู้จิตจิตทรงธถ้าอารมณ์อย่างนี้ยังมีอยู่กับเราตายเวลานี้อย่างเละที่สุดเราเป็นเบิดาทุกคน ถ้าว่าเราไม่ห่วงใยในชีวิตจริงๆก็อาจจะไปนิพพานก็ได้เพราะมรนดาเดพุะธรรมสัจตัดสินใจตามนี้แล้วต่อไปก็ใช้คำนาวานาณมะปะทะในเวลาเลอกอธิบายแล้วนะในไหลยใจเขา้านิวนณะมาอาจจะไปไหลใจอ่อนว่าพะาะใตอนนี้มาพูดทุกคำมอ่เหินกันสักหน่อย การฝึกแบบนี้เป็นการฝึกควบระหว่างที่ยปเจริญขุญานกับมโนยิทธิที่ไปเจริญขุญาณแปลมีความรู้สิทางใจคล้ายตาทิตมโนยิทธิแปลว่ามีทิทางใจอันนี้ไม่ใช่พิญญาแท่ถ้าจัดเป็นพิญญาก็าเป็นพิญญาอ่อน <c oughs> ถ้าจะจัดอภินสอนอวิน ญ, ญาจริงๆแล้วก็มันก็ไม่มีใครรับได้ก็ต้องสอนกันแบบนี้ก่อน อันได้แล้วถ้าไปฝึกผลจริงนี่ทรงปุญญาได้จริงนือสาหรับคิดอยุ่คุญญาณนี่ขบวนาดาดยตดโยมพุทธบริษัทตงวนแซวว่าเป็นความรู้สิทางใจคลายตาทิพ ย, ยานี่แต่ว่ารู้คิดก็แต่ทับสับปะทิตย์เป็นว่าการเห็นหรือการรู้ทางใจมันรู้ถูกรู้ต้องคลายตาทิพ มือนกับท่านนั้นหลายนึกถึงบ้านท่านเวลานี้รูปร่างมันเปยังไงนึกถึงลูกเึิ่งหลายคนนัน้นคนนี้เราสามารถบอกถูกลักษณะไป็ยังไงผิวพรรณเป็นปยังไสสงสดสมเป็นยังไงแต่ว่าเวลานี้เราไม่ได้เห็นมนุษย์ทางใจคําว่าทิศจุคยานยาอ่อนก็มีความรู้สึกอย่างนี้คากว่าหลังจะพูดแล้วก็จะพักให้ท่านภาวนาสิบห้านาที ตอนภาวนานี่ขอให้ตั้งใจภาวนานเฉยๆตัดอารมณ์อยากรู้อยากเห็นเสียทำให้นึกอยากรู้อยากเห็นวันนี้ไม่รู้ไม่เห็นถ้าว่าถึงเวลานิยมกริฟตอนนั้นเป็นเวลาที่บอกว่าจะมีบุคคเข้าไปแนะนําท่านตอนที่คนเขาเข้าไปแนะนําก็ท่านหยุดคำภาวนานเสียและก็ไม่สนใจการลงใจท่าออก ตั้งใจฟังคำอธิาบายขบวนพลุแม่ดั่งเพือตัดชิ้นใจไปตามนั้นต่อมาถ้าเห็นว่ากำลังใจพอใช้ได้เขาจะถามว่าเวลานี้ท่านเห็นอะไรไหมมีความรู้สึกว่ามีพระพุทธเจ้าหรือาใครมีอยู่ข้างหน้าบ้างถ้าความรู้สึกมันไม่เห็นแล้วความรู้สึกมันคิดว่ามีก็ตอบว่ามีทันที เขาถามว่าสีเขียวเรื่องส้นแดงแต่ความรู้สึกว่าสีแดงก็ตอบแดงเลยอย่าไปคิดว่าแน่จะไม่แน่เพราะความถ้าวทาสมาธิอ่อนวิปัสสนาญาณอ่อนมันยังไม่เห็นแต่ความรู้สึกทางใจมันตรงถ้าสมาธิและปัญญาดีขึ้นสิ่งที่เราไม่เห็นแตความรู้สึกแรงกดมันจะเกิดเป็นภาพจริงๆถ้าวิปัสสนาญาณสมาธิดีที่สุด ภาพนั้นเห็นชัดเจนแจ่ใสลวดลายของผ้าหรอก็รู้จักเห็นได้ชัดต่อไปถูกทันทีแล้วต่อที่นี้ไปก็บัรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายตั้งกายให้ตรงโดนรงคิดในมันกำหนดรู้ลมให้ใจเขาออกระไรใจข้าวนิกวนะมะระหใจออกนโลภะละสาหรับคนที่ปฏิบัติ็นแล้วให้ใช้รมเป็นคิดไมถึงี่สุด เอาคนอันดับแรกของจิตไปจับตัวที่วิมายพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัามพุทธเจ้าภิกษุท่านทใจให้สบายหลังจากนั้นให้เป็นในตาอธิายาใสหมดทันตอนนี้ไปเรื่องปฏิบัติได้ลำดับต่อที่ไปขอบันดายท่านพุทธบริษัททั้งหลายตั้งใจฟังคำแนะนำสักครู่หนึ่งวันนี้พอดีเป็นวันพะ การที่บรรดาช่งพผูบริษัทมาเจริญพระกรรมฐานก็เหมาะกับความคำว่าบรรพระเพราะว่านักเจริญพระกรรมฐานทั้งหมดพระพุทธเจ้าทรงเรียกสองอย่างใน mm hmm. อย่างแรกเรียกว่าพโยคาวจรหมายความว่าเป็นผู้กระพุธปฏิบัติได้ด้วความดี ในในหนึ่งพระพุทธเจ้าทรงเรียกว่าเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อพระโสดาปัิมิพาะอย่างเยี่ยงสําหรับท่านที่ยังไม่ถึงพระโสดาบันเป็นนั้นว่าบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายก็น่าจะภูมิใจในตัวเองทั้งวสุทธมณเณรุบบาสุคมบ า, มบาสิกาที่ท่านทั้งหลายได้เข้ามาอยู่ในเขตของความดีคือเขตของพุทธศาสนา การเกิดมานี้จะเกิดมาพบพระพุทธศาสนาเป็นของยากที่ว่ายากกับที่ว่านานๆจะมีพระพุทธเจ้าสักครั้งหนึ่งและกลับนี้ก็มีกลับที่ท่านหลายมีบุญมากเพราะว่ามีพระพุทธเจ้าถึงสิบองค์ไม่มีกลับไหนที่จะมีพระพุทธเจ้ามากอย่างนี้บางกลับก็มีองค์เดียวบ้างมีสององค์บ้าง บางกับที่เป็นสมญากับเพื่ออันตรากลับก็ไม่มีเลยแต่ว่ากับนี้ถ้าว่าจะมีพระพุทธเจ้าทั้งสิบองค์ก็ตามทีถ้าเราพลาดนิเดียวเราก็ไม่เจอพระพุทธเจ้าอีกจะเจออีกก็ต้องใช้เวลาเป็นแสงกับนั่นก็คือถ้าเราพัดลงมปนรกสักวันเดียวแล้วก็ชวดไม่็ดพบพระพุทธเจ้าต่อไป ดังนั้งการที่ท่านหลายตั้งใจมาเจริญสังฆทานวันนี้แล้วก็เป็นวันพระท่านเองก็ทําใจเป็นพระพระจริงๆแล้วไม่ใช่หอมพระเหลืองโกนหัวเฉยๆการหอมพระเหลืองโกนหัวเฉยๆก็ถือว่าเป็นการถือเพศถึงบรรปชิตคําว่าบรรปชิตแปลว่าผู้ชนะธรรมปวงชนะอานาจของความรักเพศชนะอนํานาจของความโกรธ ช น, นะอําน่ายของความโลภช น, นะอันน่ายของความหลงยังมีนามวันรปชิตแต่ถ้าว่าท่านผู้ใดยังแพ้อยู่จากความโลภความโกรธความหลงคนดีและราคะก็ดีก็ยังไม่ถือว่ามันเป็นบรนไปคิตถือว่าเป็นสมมติสองแต่ว่าปฏิบัติตามรธรรมวินัยดีก็ทื่ว่าอยู่ในขอบ เ, เขตของสมมติสอง แตาได้บ่าวา่หรืธรรมินไหนแสดงเลยเรียกกันว่าเปรตไปเลยใช่อะไรไม่ได้เลยเขามาเปรตเปรตหมายความจะมีความเป็นอยู่ก็อาศัยสชบบ้บายคือโมทนาเทระเนรที่บวเข้ามาในพระพุทธศาสนาปฏิบัติชั่วก็มีสภาพมันเปรตเรี่กขอข้าวเขากินหลอกลวงทรัพย์สิงนธรรมาชัยอันนี้ไม่ถูก ในเวลานี้พวกท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบหนึ่งมีนามว่าบรนไปชิดด่วามีนามนนนว่าพิขุปไปมาชิดแปลว่าผู้ชนะทั้งหมดที่คุแปลว่าผู้เห็นภายในสงสารคาว่าเห็นภายในสงสารก็หมายความว่าไม่ต้องการเกิดในวัฏฏสงสารต่อไป การเวียนว่ายตายเกิดเป็นพรหมก็ดีเป็นกบดได้ก็ดีเป็นมนุษย์ก็ดีเป็นเปรตก็ดีอสุรกายก็ดีสัตว์ริชายก็ดีสัตว์นรกก็ดีมนุษย์ดีการวนไปวนมาอย่างนี้เทววัตต์มันไม่มีที่สิ้นสุดนั้นเวลานี้ท่านปฏิบัติถูกหมายความวันหนึ่งเป็นผู้ทรงศีลดี นับริการในสองเวลานี้เข้ามาบำเพ็ญตะบะเป็นการห้หามหันกิเลสให้ขาดสิ้นเป็นสมุดเฉติประหารเพราะนั้นขอทุกท่านทั้งหมดที่นั่งในที่นี้ให้ตัดสินใจไปเลยว่าชีวิตนี้ในอนาคตอันสัน้นเราจะเป็นประโสดานบันให้ได้ภายในหนึ่งเดือน ความจริงพระโสดาบันนี่เป็นไม่ยากถ้าเป็นพระโสดาบันเพียอย่างเดียวขึ้นชื่อว่าบาปอกุศลเก่าๆทั้งหมดที่เราทําแล้วไม่มีโอกาสให้ผลมีทางทางเดียวที่เราจะไปคือก้าวเข้าไปใกล้ในพริพพานทุกข์ณะเพราะว่าพระโสดาบันท่านแปลว่าเป็นผู้เข้าถึงกระแสพระนิพพาน สำหรับพระก็ละมัดระวังศีลให้มากที่สุดมีความรู้สึกอยู่เสมอว่าเราจะต้องตายถึงบางท่านที่มีความจําเป็นต้องศึกษาปฏิบัติธรรมเรื่องบัญญรติชาไป็ของหนักพระพุทธเจ้าไม่ทรงการไม่ทรงกั่กขังไข่ถ้ากําลังใจทรงอยู่ไม่ไหวด้วยงานบังคับเราก็ต้องลาธิข้าบท เมื่อลาสิกขาบทไปแล้วก็ทรงสินห้าหบริสุทธิ์พระโสดาบันกับพระสิทธาคามีมีความสำคัญอยู่ที่สินห้าสำหรับพระวาดัดพระเนยก็มีความสำคัญอยู่ที่สิงห้องตนกำลังจิตเข้ามาโสดาบันไม่ใช่เบาๆไม่หนักเดือนหนึ่งมีความรู้สึกว่าเราจะต้องตายนี่เป็นเรื่องจริง ที่เราปฏิเสธไม่ได้ <c oughs> เราจะไม่ยอมนึกถึงความตายเป็นสำคัญแล้วก็ควรคิดว่าความตายมันอาจจะมีกับเราในเวลานี้เพื่อความไม่ประมาทของจิตถ้าเราคิดว่าความตายอาจจะมาอีกหนึ่งปีสิบปีสามสิบปีร้อยปีมันก็ประมาทมากเกินไปที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าชีวิตเป็นของไม่เที่ยงแต่วความตายเป็นของเที่ยง เนอตามที่เปส ก, การีกราภุมพุท ธ, จทธจพพเจ้าว่าข้าวพเจ้าไม่ทรงทราบพระเจ้าขว่าความตายพระพุทธเจ้าจะมีเวลาไหนจะมีเช้ามีสายมีบ่ายมีเที่ยงมีกลางวันมีกลางคืนแม้การตายจะตายแบบไหนหม่อมฉันไม่ทรงสารพระพุทธเจ้าก็ทรงยอมรับแระใัยตามนั้นเพื่อตับดีแล้ว ดังนั้นของบรณดาท่านพุทธบริษัททุกท่านจึงคิดไว้เสมอว่าเราอาจจะตายเดี๋ยวนี้ตามที่องค์สมเด็จพรจะจินทร์ศีทรงแต่งจากพรอนนว่าอานาันทะดูก่อนอ น, น, นุนตาถาคดนี่นึกถึงความตายทุกลมให้ใจเขาออกไม่เมื่อเรานึกถึงความตายอยู่เราก็ไปไม่ประมาทชีวิตคิดว่าทิ้งเชื่อบา ป, ปโกรุณต่าง ที่ทำมันแล้วกี่ชาติก็ดีแล้แต่ชาตินี้ก็ดีต้องไม่มีโอกาสให้ผนก็เราต่อไปอีกเราจะต้องพ้นกำลังของบาปบาปอกุศลทั้งหมดที่เย็บพ้นได้ครคืนหนึ่งเขารัพระพุทธเจ้าจริงเขารัพระทธรจมจริงขรเขารัพระอริยสงฆ์จริง แล้วก็มีศีลบริสุทธิ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งคราว่าคือสินห้าถ้าเป็นศินแปดถ้าจิตรักศินแปดเป็นปกติแล้วซาทุกวันน่าก็เสดสบายนั่นเป็นจิตของพระอนาคามีคือศินแปดเป็นสิ่งของพระอนาคามีแสดงว่าผู้นั้นจิตเก้าเ้าเข้าสู่ความเป็นพระอนาคามีในสำหรับพระโสดาบันสกิทาคารมีก็ศินห้าเป็นสําคัญ เมื่อเคารกพระพุทธธรรมปสงค์จริงมีสินห้าบริสุทธ์แน่นอนาว่าศีลไม่เผลอแนละมันไม่ขาดนะต้องตั้งใจทนและจิตอีกดวงหนึ่งตัดสินใจโดยเฉพาะว่าเราทำความดีเท้งหมดเราต้องการพนิพพานจบเดียว ก, การให้เข้าให้ขอช่วยเหลือใครกรตามไม่หวังผลตอบแทนในปัจจุบัน และก็ไม่หวังเกิดเป็นมนุษย์ไม่หวังเกิดเป็นเทวดาไม่หวังเกิ ด, เ, กดเป็นปุถุ์หวังอย่างเดียวว่าอัตภาพหรือร่างกายนี้สลายเมื่อไรเราไปนิพพานเมื่อนั้นตัดชินใจได้อย่างนี้เป็นปกติที่ว่าอารมณ์ของท่านเป็นปรโสดาบันปโสดาบันยังไม่ต้องแยกโขแยกเมียปโสดาบันยังมีการแต่งงานปโสดาบันยังมีความรักในเพศ แต่ไม่ทำกำไรก็มีสินห้าบริสุทธิ์ถ้าโสดาบันยังมีความโกรธแต่ไม่ฆ่าใครก็มีสินห้าบริสุทธิ์ถ้าโสดาบันยังมีต้องการความรวยแต่ไม่คดไม่โกงใครก็มีสินห้าบริสุทธิ์ถ้าโสดาบันขี้ว่ายังมีความหลงอยู่บ้านจะหลงไม่มากนักเพราะว่ายังต้องการความรักต้องการความรวยยังมีความโกรธแต่ว่าสินไม่ขาดไป ความจริงเราโสดาบันก็เป็นโอกาสได้เร้าชบ้านทันดีนั่นเองฉะนั้นขอทุกท่านทั้งหมดการเจริญพระธรรมฐานด้วยการทำบุญถ้าหากว่าเราไม่หาจุดจุดพักลรวจุดหยุดที่ใดที่หนึ่งไว้การทำไปมันก็ได้ผลน้อยเต็มที ที่ว่าเด็ผลน้อยเตียนผีไม่ควรจะมาหยุดส้อประสูดาบันบ้าเข้าจุดพักมันก็ไม่พักทําไปเจริญก็มาฐานกันเรื่อยไปเขาบอกว่าทำอย่างนี้ถึงก็ทําไปทําไปทําไปแบบนั้นมันหาจุดลงไม่ได้มันเป็นพระอริยะไม่ได้มันอะไรจะใกล้ผลิพานทีนี้ความเป็นพระอริยะที่เป็นมันกันไม่ได้เพราะว่าไม่รู้จักพระอริยะ ไม่รู้ว่าพระโสดาบันเกษีภาคามนีนี่ยของง่ายๆเป็นญาปากคอแต่สำคัญครูผู้สอนไม่ได้เป็นพระอริยะถ้ทาทั้งนี้ก็อย่านึกว่าอาตมาเป็นพระอริยเจ้าเสีด้วยท่านไม่เป็นพระอริยะแล้วท่านก็ไม่ดูพระพุทธเจ้าสอนเสีด้วยยาตมามาสอนนี่มาจากพระพุทธเจ้า ที่พระพุทธเจ้าทรงดัดว่าสําหรับพระโสดาบันะสกิทาคามีเป็นผู้ทรงอธิสิงพระนาคามีเป็นผู้ทรงอธิจิตพระอรหันต์เป็นผู้ทรงอธิปัญญาในสัญญอธิกมีบอกว่าพระโสดาบันกสกิทาคามีตัดสัญญอิสานเป็นหนึ่งสกายติถิติสองวิจิตรชาสามสิลบัตตะปรามาต อีกตอนหนึ่งทขาบอกว่าพ ร, ร, ระมหาปโสดาบันก็สิบตาคนันเป็นผู้มีปัญญาเล็กน้อยมีสมาธิเล็กน้อยแต่ทรงศีลบริสุทธิ์แม้วต่อไปก็ต้องดูองค์เขาปโสดาบันอีกองค์เขาปโสดาบันคือคนที่เป็นปโสดาบันแล้วก็มีกําลังใจอย่างไงเขาวางอารมณ์แบบไหนองค์ปโสดาบันก็คืนหนึ่งเคาเป็นผู้ได้เจ้าจริง พ ร, ระรพในบัณฑ์จริงพระรบในพระอริยสงฆ์จริงมีศีลห้าบริสุทธิ์จริงมีจิตใจมุ่งพระ涅槃เป็นอารมณ์จริงมันก็เท่านี้ถ้าหากว่าจิตใจของบรรดาท่านหลายทรงอารมณ์การมโสดาบันไได้การสมาบัติต่างๆที่ท่านได้ไว้ น, นี้ไม่มีการเสือ่อมมันจะดีขึ้น นั่นเลยเมื่อเป็นปัโสดาบันแล้วก็ตัดจุดยอดเลยไม่ต้องไปไล่สุจจิธาขามนีนาคามีไม่ต้องไม่ต้องไปไล่สัญญอื่นตัดตัววิชาทันทีนั่นก็ได้แก่ตัดฉันภ้ากับราคะซึ่งได้บอกเคยบอกว่าเมื่อเราจงคิดไว้เสมอว่าถ้าร่างกายมันตายคราวนี้เราไม่ต้องการไม่ต้องการเกิดเป็นมนุษย์เซนจวันดาด้วยกลม เราต้องการจุดเดียวคือปฏิปานธ์ทำให้มันแน่นแน่ทำจิตทำมไม่โค้กเอาให้มันแน่นอนจะไปคิดว่าเสี่งนี้ไม่เคยไม่เป็นความสามารถของเราไม่ใช่อย่างนั้นเราต้องสามารถถ้าเราไม่มีความสามารถจริงเราก็มาเหยียบย่างเขาในขอบเขตของพุทธศาสนานี่เป็นจุดแรกที่เราจะพปสู์ตัวเอง เมื่อเหยียดยาเข้ามาในข้อเข็มเข้ามาศาสนาจริงถ้าเราไม่ดีจริงเราก็ไม่ยอมรับนักเขียนพุทธเจา้าแล้วต่อไปถ้าเราไม่แน่นอนจริงๆถ้าจิตใจของเราไม่เข้าถึงป ร, ม, ม, รมัธมบารมีจริงเราก็ไม่พอใจในเดินในการเจริญพระกรรมทานจุดนี้เป็นจุดสําคัญที่พวกท่า น, น, นหลายจะสร้างความมั่นใจในตัวเองว่าขิงชี้ว่าวพระนิพพานนี้ไม่เกินวิสัยของท่าน เาสำดับต่อ น, นี้ไปขบรรดาทางพุณบริษัททั้ษษษษษทงหลายตั้งกายให้ตรงดำร ง, รงจิตให้มันกำหนดรู้ลมให้ใจให้เข้าให้ใจออกถ้าภาว น, นาก็ใช้คำภาวนาวันมะพะทะและรวบรวมกําลังใจโดยไม่สนใจกับเพาะพมนาก็ได้ที่รวบรวมกําลังจิตตักกิเลสขึ้มุ่งคิดว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรา โลกนี้ไม่มีความหมายของเราเราต้องการนิพพานอย่างเดียว ท, ท่งกระแสจิตเข้าอปในมรรการองค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าที่นิพพานและจะอยู่ที่นั่นและจะกลับไปไหนก็ได้อยู่ที่นั่นตลอดหมดจนกระทังหมดเวลาก็ยังดีตนนี้ไปเริ่อปฏิบัติได้